2. อ, อัฏฐกะนาครสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่อัฏฐกะนครข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระ อ, อน์นย่นเวลุวะคามเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นแลข้าดีชาวอัฏฐกะนครชื่อทัสมะได้เดินทางไปถึงเมืองปัตตลิบุตรด้วยกิจที่ต้องทำบางอย่างครั้งนั้นแล ทศมาข่าบดีชาวอัตกนครได้เข้าไปพบภิกษุรูปหนึ่งที่กุกุตารามว่ายแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามภิกษุนั้นว่าท่านขอรับบัดนี้ท่านพระอนนท์อยู่ที่ไหนข้าพเจ้าต้องการจะพบท่านภิกษุนั้นตอบว่าขหาปดีท่านพระอานนท์นี้อยู่ณนะเวลุวค า, ามเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้น ทสมะพหบดีชาวอัฐกนครทำกิจที่ควรทำในเมืองปัฏตลีบุตรเสร็จแล้วได้เข้าไปพบท่านพระอานนท์ถึงเวลุวคามเคกรุงเวสาลีไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอนนท์ว่าท่านอานน์ทำอันเป็นเอกซึ่งเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นไป และเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ที่พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่หรือไม่หนอท่านพระอานนท์ตอบว่าข้าฮาบดี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 เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเป็นอย่างไรรูปประชานสี่ท่านพระอานนท์ตอบว่าข้าพาดีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากรามและอกติสนธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจาร์ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าแม้แต่ปฐมฌานนี้แลกก็ถูกปรุงแต่งแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรมนั้นแล้ว ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากยังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมพาคิยะสองโยต์สังโยต์เบื้องต่ำหประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลดิดเพลินในธรรมนั้นๆจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกกษับดีธรรมอันเป็นเอกแม่นี่แหลซึ่งเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้น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 พระวิตกวิจารสงบ ร, งระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานละถึงอยู่ภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าแม้แต่ทุติยฌานนี้แลก็ถูกปรุงแต่งแล้วละถึงและเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับอีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไป ภิกษุบรรลุตติยฌานละถึงอยู่ภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าแม้แต่ตติยฌานนี่แลก็ถูกปรุงแต่งแล้วละถึงและเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุธฌานละถึงอยู่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 ปมัญญาสี่อีกประการหนึ่งภิกษุมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกโมูเหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพ่บู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า แม้เมตตาเจโตวิมุตตินี้แหลก็ถูกปรุงแต่งแล้วก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรมนั้นแล้วละถึงและเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับอีกประการหนึ่งภิกษุมีการุณาจิตละถึง อีกประการหนึ่งภิกษุมีมุติตาจิตและถึงอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบขาจิตอันไพบู์เป็นมหากตไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่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 รูปฌานสามอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุอากาสานณจายตนะฌานโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กําหนดนานตัสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าแม้อากาสานัณจายตนะฌานนี้แหลก็ถูกปรุงแต่งแล้ว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 ภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญาญตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าแม้อากินจัญญาญตนะฌานนี้แลก็ถูกปรุงแต่งแล้วก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรมนั้นแล้ว ย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอป ป, ปาติกะเพราะโอรํมคาคิยะสองโยตห้าประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกขหาบดีทำอันเป็นเอกแม่นี่แลซึ่งเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้น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 สมะขะหาบดีเลื่อมใสท่านพระอานนท์เมื่อท่านพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้วทัสมะขหบดีชาวอัฐกคนครจึงกล่าวว่าท่านอานนท์ข้าพระเจ้าเมื่อสแสวงหาประตูอมตะธรรมประตูเดียวได้รับประตูอมตะธรรมสิบอ็ดประตูคราวเดียวกันเปรียบเหมือนบุรุษสแสวงหาแหล่งขุมทรัพย์ขุมเดียวพึ่อพบแหล่งขุมทรัพย์สิบเอ็ดขุมคราวเดียวกัน ข้าพเจ้าจาักสามารถทำตนให้ปลอดภัยได้โดยประตูอมตะธรรมสิบอ็ดประตูนี้ประตูใดประตูหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษมีเรือนส1บอประตูเมื่อเรือนนั้นถูกไฟไหม้บุรุษนั้นสามารถทำตนให้ปลอดภัยได้โดยประตูใดประตูหนึ่งท่านอานน์ธรรมดาัญยะิฤทธิเหล่านี้ยังแสวงหาทรัพย์บูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์ ส่วนข้าพเจ้าจะไม่ทำการบูชาท่านอ น, นุนได้อย่างไรครั้งนั้นแลถทัสมะขะหาปีชาวอัตกนครนิมนต์ภิกษุสงฆ์ชาวเมืองปัตตลีบุตรและเชิญชาวเมืองเวสาลีให้ประชุมกันแล้วอังฆาภิกษุสงฆ์นั้นให้อิ่มน้ำสาราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีต ด, ด้วยตนเองนิมนต์ภิกษุให้ครองผ้ารูปละหนึ่งคู่ นิมนท์ท่านพระอานนท์ให้ครองไตรจีวรและได้ให้สร้างวิหาร500อยหลังถวายท่านพระอานนท์ดังนี้แลอัตกะนาคระสูตรที่สองจบส เสขาปฏิปทาสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติของพระเสขะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะนิคโครธารามเขตกรุงกบิลพัฒน์แคว้นสักกะสมัยนั้นแลท้องพระโรงหลังใหม่ที่พวกเจ้าศักยะผู้ครองกรุงกระเบรพัฒน์ส่งให้สร้างเสร็จได้ไม่นานยังไม่มีสมณนะพราหมณ์ หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยต่อมาพวกเจ้าสกยะผู้ครองกรุงกบิลพัทได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสท้องพระโรงหลังใหม่ที่พวกเจ้าสกยะผู้ครองกรุงกบิลพัให้สร้างเสร็จได้ไม่นาน ยังไม่มีสมณะพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยขอพระผู้มีพระภาคทรงใช้ท้องพระโรงนั้นเป็นปฐมฤกษ์ด้วยเถิดพวกเจ้าศักยะกรุงกระบีรพัฒจะได้ใช้ภายหลังที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้เป็นปฐมฤกษ์แล้วข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่พวกเจ้าศักยะผู้ครองกรุงกระบลพัฒ ต, ตลอดกาลนาน พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษนีภาพลำดับนั้นผู้เจ้าสักยะผู้ครองกรุงกบิลพัททรงทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเสด็จเข้าไปสู่ท้องพระโรงหลังใหม่แล้วจึงรับสั่งให้ปูลาท้องพระโรงด้วยเครื่องลาทั่วทุกแห่ง ให้ปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วได้ประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายปูลาดท้องพระโรงด้วยเครื่องลาดทั่วทุกแห่งให้ปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงกําหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังท้องพระโรงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าไปสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศตะวันออกแม้ภิกษุสงฆ์ก็ล้างเท้า เข้าไปสู่ท้องพระโรงนั่งพิงฝาด้านหลังพินหน้าไปทางทิศตะวันออกณเบื้องพระปริสดางพระผู้มีพระภาคส่วนพวกเจ้าสักยะผู้ครองกรุงกระเบลพัดล้างประบาทแล้วเสด็จเข้าไปสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงฝาด้านตะวันออกพินพระพักไปทางทิศตะวันตกณเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พวกเจ้าสักยะ ผู้ครองกรุงกะเบลพัทเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารกแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคทถาตลอดราตรีแล้วรับสั่งเรียกท่านพระ อ, อนนทมาตรัสว่า อ, อนนท์เธอจงชี้แจงเสขะปฏิปทาให้แจม่มแจง้งแก่พวกเจ้าสักยะผู้ครองกรุงกะเบลพัทเถิดเราเมื่อหลังจะขอพักสักหน่อย ท่านพระอานนลทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจากนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังคาติเป็นสี่ชั้นส่งสาเร็จสีหัสยยาโดยพระปรัดเบื้องขวาโซนพระบาทหลื่มพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะกาหนดพระไทยพร้อมจะเสด็จลุกขึ้นลำดับนั้นท่านพระอานน์เชิญเจ้าสกยามหานามมาแล้วกล่าวว่าเจ้ามหานาม พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยสัจธรรม7ประการเป็นผู้ได้ฌานสี่อันเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก รอาริยสาวกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้มีศีลสำรุมด้วยการสังวรในปาติโม่เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเจ้ามหานามะพระอริยสาวกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แล อสาวกเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศสลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงมได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสารวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหู ดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐะพะทางกายรู้ธรรมารมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรียีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงาได้จึงรักษามนินทรียีถึงความสำรวมในมนินทรียเจ้ามหานามะ พระอริยสาวกเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลพระอริยสาวกเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคลายแล้วจึงกลืนกินอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อโมเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่กลืนกินอาหารเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจันทร์ด้วยคิดเห็นว่าเราจะ ก, กำจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดาเนินไปแห่งกาย ความไม่มีโทษและการอยู่ภาสุขจกมีแก่เราเจ้ามหานามะพระอริยสาวกเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นอย่างนี้แล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 ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดใจพร้อมจะลุกขึ้นตลอดมภิร ม, มยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัมภิรมยามแห่งราตรีเจ้ามหานามะพระอริยสาวกเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตือนอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างนี้แล สัตทมเจตประการพระอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยสัตทมเจตประการเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพีย่พร้อมด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสารทีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคสองเป็นผู้มีหิริคือละอายกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตละอายการประกอบบาปอากุศลธรรมสามเป็นผู้มีโอตตะปะคือสะดุ้งกลัวกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริต สดุ้งกลัวการประกอบบาปอากุศลธรรม 4. เป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมเหล่านี้ที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏถะและพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ปรารบความเพียนเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกาลังมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 6. เป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติและปัญญาที่ยิ่งจำได้ระลึกได้อย่างแม่นยำถึงสิ่งที่ทำและคาที่พูดไว้แม้นานมาแล้ว7 เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐทำลายกิเลสให้ถึงความสิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบเจ้ามหานามะพระอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยสัตธรรมเจ็ดประการเป็นอย่างนี้แล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 บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยทั้งหลายสันเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณนัตและโทมนัตดับไปก่อนบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เจ้ามหานามะพระอริสาวกเป็นผู้ได้ฌานสี่ซึ่งเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเป็นอย่างนี้แล ประมาด้วยฟองไข่ที่แม่ไก่นอนกกเจ้ามหานามะเพราะพระอริยสาวกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอย่างนี้เป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องเตือนอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสัตยธรรมเจตประการอย่างนี้เป็นผู้ที่ชาญสี่อันเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ่ง เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากอย่างนี้พระอริยสาวกนี้บัณฑิตสันเสริญว่าเป็นผู้มีเสขขปฏิปทาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมซึ่งเป็นดุดฟองไข่ไข่ที่ไม่เน่าเป็นผู้ควรแก่การทำลายกิเลส ด, ด้วยยานเป็นผู้ควรแก่การตรัสรู้และควรแก่การบรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ฟองไข่ของแม่ไก่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองที่แม่ไก่นอนกกไวอย่างดีให้ความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอฟักแล้วอย่างดีแม้ว่าแม่ไก่นั้นจะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอคอลูกไก่เหล่านี้พึงใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปากเจาะทำลายเปลือกไข่ออกมาได้โดยสวัสดิภาพก็ตามถึงอย่างนั้น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 เป็นผู้ได้ฌานสี่อันเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากอย่างนี้เจ้ามหานามะพระอริสาวกนี้บันดิตสรรเสริญว่าเป็นผู้มีเสขะปฏิปทาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมซึ่งเป็นดุดฟองไข่ไก่ที่ไม่เน่าเป็นผู้ควรก่การทาลายกิเลส ด, ด้วยยาน เป็นผู้ควรแก่การตรัสรู้และควรแก่การบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเจ้ามหานามะพระอริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌานมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาที่ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างละถึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไป และชีวประวัติอย่างนี้นี้เป็นการทำลายกิเลสด้วยยานข้อที่หนึ่งของพระอริสาวกนั้นเปรียบเหมือนลูกไก่ออกจากเปลือกไข่ได้ฉะนั้นเจ้ามหานามะพระอริสาวกนั้นอาศัยเจตุตจารมีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาที่ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้นเห็นหมูสัตว์และถึงด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ เธ อ, อรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนี้เป็นการทำลายกิเลสด้วยยานข้อที่สองของพระอริยสาวกนั้นเปรียบเหมือนลูกไก่ออกจากเปลือกไข่ได้ฉะนั้นเจ้ามหานามะพระอริยสาวกนั้นอาศัยจตุตฌานมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาที่ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้นย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการทำลายกิเลสด้วยยานข้อที่สของพระอริยสาวกนั้นเปรียบเหมือนลูกไก่ออกจากเปลือกไข่ได้ฉะนั้น ผู้พีพ่พร้อมด้วยวิชาและจรณนะเจ้ามหานามะการที่พระอริยสาวกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแม้นี้ก็เป็นจรณะของพระอริยสาวกประการหนึ่งการที่พระอริยสาวกเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นจรณะของพระอริยสาวกประการหนึ่งการที่พระอริยสาวกเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคแม้นี้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 เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากแม้นี้ก็เป็นจรณะของพระอริยสาวกประการหนึ่งการที่พระอริยสาวกระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้แม้นี้ ก็เป็นวิชาของพระอริยสาวกประการหนึ่งการที่พระอริยสาวกเห็นหมู่สัตว์ละถึงด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เธอรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมแม้นี้ก็เป็นวิชาของพระอริยสาวกประการหนึ่งการที่พระอริยสาวกทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้นี้ก็เป็นวิชาของพระอริยสาวกประการหนึ่งเจ้ามหานามะพระอริยสาวกนี้บันดิตสรรเสริญว่าเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยวิชาแม้เพราะเหตุนี้เป็นผู้เพียรพร้อมด้วยจรณะแม้เพราะเหตุนี้เป็นผู้เพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะแม้เพราะเหตุนี้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 พรมชื่อสนังกุมานกล่าวคาถานั้นไว้ชอบไม่ใช่ไม่ชอบกล่าวไว้ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องมีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์พระผู้มีพระภาคทรงเห็นด้วยแล้วจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงลุกขึ้นแล้วตรัสกับท่านพระอานุ์ว่าดีละดีละอานุ์ดีจริงอานนต์เธอได้กล่าวเสกปฏิปทาแก่เจ้าสักยะทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพัท ท่านพระอานนท์ได้กล่าวาสิทธินี้แล้วพระศาสดาก็ทรงยินดีเจ้าสักยะทั้งหลายผู้ครองกรุงกระเบลพัทก็ทรงมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิทิของท่านพระอานนท์ดังนี้แหละเซขปฏิปทาสูตรที่สาม โปตลิยะสูตรว่าด้วยข้าพบดีชื่อโปตลิยะข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของชาวอังคุตราปะชื่ออาปณะแคว้นอังคุตราปะครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณทบาทอย่างอาปนนิคมทรงเที่ยวบินทบาตในอาปนนิคมแล้วสเสด็จ ก, กลับจากบินทบาทภายหลังเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วทรงเข้าไปยังราวป่าแห่งหนึ่งเพื่อพักผ่อนกลางวันและประทับนั่งพักกลางวันณโนะคนไม้แห่งหนึ่งแม้โปตลิยะข้าพดีเองก็เช่นกันนุ่งห่มเรียบร้อยกางร่มสวมรองเท้าเดินเที่ยวเล่นอยู่ ได้เข้าไปยังราวป่านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทึงที่ประทับได้สนทนาปราศสยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับโบตลิยะขหบดีว่าขหบดีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเชิญอย่างนี้แล้ว โปตลิยะข้าดีโกรธน้อยใจว่าพระสมณโคโดมตรัสเรียกเราด้วยคําว่าขหาพดีจึงทําเฉยเสียแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกโปตลิยะขหบดีว่าขหาพดีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเชิญอย่างนี้แล้วโปตลิยะขหบดีโกรธน้อยใจว่า พระสมณะโคโดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าขาหบดีจึงทำเฉยเสียแม้ครั้งที่สพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกโปติริยะข้าหบดีว่าขาหบดีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเชิญอย่างนี้แล้วโปรตริยะขาหบดีโกรธน้อยใจว่าพระสมณะโคโดม ตรัสเรียกเราด้วยคําว่าขหาบดีแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพระดํารัสที่พระองค์ตรัสเรียกข้าพระองค์ด้วยคําว่าขหาบดีนั้นไม่เหมาะไม่ควรเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหาบดีกิริยาของท่านท่าทางของท่านลักษณะของท่านเหล่านั้นบ่งว่า เป็นกิริยาท่าทางลักษณะของขหบดีอยู่ใช่แล้วท่านพระโคดมแต่ข้าพระองค์ละทิ้งการงานทุกอย่างแล้วตัดขาดโวหารทุกอย่างแล้วขหาบดีท่านละทิ้งการงานทุกอย่างตัดขาดโวหารทุกอย่างอย่างไรเล่าท่านพระโคดมขอประธานวโรกาสทรัพย์ก็ดีทั ญ, ญชาติก็ดีเงินก็ดีทองก็ดี ที่มีอยู่ทั้งหมดข้าพระองค์มอบให้เป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลายข้าพระองค์ไม่ต้องแนะนำไม่ต้องตักเตือนพวกเขาในสิ่งนั้นๆข้าพระองค์มีเพียงอาหารและเครื่องนุ่งห่มก็พอแล้วท่านพระโคดมข้าพระองค์ละทิ้งการงานทุกอย่างตัดขาดโวหารทุกอย่างอย่างนี้แหลข้าหาบดีการตัดขาดโวหารที่ท่านพูดมาเป็นอย่างหนึ่ง แต่การตัดขาดโวหารในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การตัดขาดโวหารในอริยวินัยเป็นอย่างไรเล่าขอประธานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมคือการตัดขาดโวหารในอริยวินัยแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว โอตริยะพะ้าปีทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว